สติจะรู้จักทักท้วงความคิดไม่ทำตามความคิดง่ายๆหลวงพ่อคำเขียนสวนโนหลวงพ่อคำเขียนท่านได้กล่าวไว้ว่าผู้มีสติเนี่ยก็จะสามารถทักท้วงความคิด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 ตัวเป็นความเปลี่ยนมันทำให้จิตเนี่ยตั้งมัน่นอยู่ที่หน้างานของเรามันมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิโดยธรรมชาติที่นี่งานก็ไม่ค่อยผิดพลาดเพราะตั้งมั่นอยู่กับงานได้งานก็ไม่ค่อยผิดพลาดไม่ขี้หลงที่เลมไม่เผลอบางทีทำงานไปมันก็เพลินนะเพลินไปกับงานที่เรากลับทำมันก็มีความสุขไม่เครียดเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเตอลงไปใน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 เรื่องของความทุกข์เหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเริ่มรู้แล้วว่า <Okay. S 1> โอ้ยที่ร่างกายที่มันเคลื่อนเคลื่อนไห ว, ไ, วไปไปมาๆเนี่ยมันไม่ใช่เราเหรอกถ้าเห็นกายไม่ใช่เราเล้วก็มันได้ปัญญาละมันอยู่บนเส้นทางความดับทุกข์แะเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นรูปมันไม่ใช่เป็นเราสติเป็นผู้เห็นกายที่มันเคลื่อนไหวนี่มันคือรูป